บั น, นีนาะบั น, นีนาะในกาลาบั น, นีก็เป็นกาลานถึงกูนงามดีจุนจอยไก่ปูกแก้วน้อยสมาตอปีขันเลยในกาลาบั น, นีเ้อ กาลาบนิเฮยก็เป็นเวลากาลาเมายขาต้องลองมาสาซอยดอกสุ่มซอยดอกไม้ขาวผึกจอนหลอนกาดก็กันมา ย้อนย้อนกาเหลือเสออ่อนตนเเียเก่าสะปากเศร้ากำไยเงาอยู่จนจนลูกตลูกตหูมึงก็พอใสวาปัง ปวาราบตื่นแล้วซ้าบายนากระตํากองปองเอาพลาผ่อนนำตอนปอนจากยังกรรมวิบากในจัดนี้ขอฮือกาดกาไปก่อยเอเราต่อห้ หาตั้งบุญนี้นายินอยากอยู่ในผ้าสาเก้ยวเงาอยู่ต้นก่อยกัดกอกันมาลอยลอยหลอมตุ้ยดาวอยู่ฟ้าสมองหม่อนแป้นขาว นอกน้อยสมรองอยู่สาวสาวนอกขินขายาวสัมมางกางตงลูกตอลูกตอแจ้งก่อแจ้งมุงแรลงมามันนีู้คขาอันเป็นธรรมะปกติดีูตาก็มีโวจาวาจาอ ขอราธนาอย่งางพากรรมรจ้าตั้งหลายออกจากธรรมกูหาออกจากผ้ากูแก้วออกจากตัาาวผ้าสตร์แก้วใสางามมันนี้ตอนที่พามํากันหนาวไหววัน ก า, านเขาเ้เาวแกเนื้อไว้อยู่ย่อนย่อนยามดีวอนถึงรอดตอนยอดเจ้ามาไวขอจุงจี้เต้นไปแลกำขันเขาตอกยอกสองศอกไว้วันตา นั่งกันรวมมาสุก